บวชมาได้ระยะจากห้าปีทมาก็ไปทัศนาจารเพื่อจะไปตรวจสำหรับสำนักปฏิบัติไปเป็นลูกศิษย์เขาไปขอเรียนจากเขาที่ไหนมีครูบาอาจารย์สอนดีก็ต้องไปแต่ไปไม่ใช่ไปแสดงว่าเราเป็นผู้มีควมรู้ไป แ, แสดงเป็นลูกศิษย์ขอเรียนด้วยพระอีสาณมีจังหวัดอุบลอำเภอวารินวัดตาโพ เป็นป่าทึบห่างจากตัวอำเภอรประมาณ6กิโลอาจารย์ชาเป็นผู้นำสอนอยู่ที่นั้นอาาัตมาก็ไปอยู่ด้วยหลายวันหลายวันออกจากนั้นก็มาทางศิษเกตมาทุกจังหวัดลรวไปทมทุกจังหวัดสำนักใดดีก็ไปตระเนเปิดเปิ้มไปที่หัวหินมีพระอาจารย์องค์หนึ่ง น่ไปนอนกับท่านสามคืนท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านว่าท่านจะห่อได้แต่ท่านดีท่าาอะจะห่อทําไมครูบาหลวงพ่อจะลุกนะท่านคิดว่าท่านจะห่อท่านอย่าลุกนะให้มันห่อไปเองผมอยากโดดไปข้ามทะเลไปทางโน้นถ้าโดไปไม่ได้มันเป็นเหวท่านนั่งอยู่เนี่ยมันจะยกไปได้มันไปได้ท่านไปเองมันขับพูดให้ท่านฟังท่านสรงโอวันติมสู่กินท่านดี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 เึงนิีวิตตัวเองเป็นโยมก่อเลี้ยวเป็นพระได้เขาเยกพระเ น, นี้บุคคลขั้นต้นๆเขาเรียกพระโสดาบันบุคคลขั้นมากมันเอาพวกขันไปแค่นั่งก่อก่อสมควรแล้วจากนั้นก็เดินไปถึงส่วนโมกอายุส่วนโมกไปมัดเล็กมัดเล็กท่านทําเรือเจ้าคุณบุท ธ, ธาทำเรือล่างหิน มีโยมคนหนึ่งไปดูที่จังหวัดขอนแก่นเขาจำได้คือเน็ตคนนั้นเป็นคนจีนแต่ล้างหินด้วยกันโมดีไปเจอเขาจำได้หลวงพ่อมาหยุดเมื่อไหร่เอามาดำเนงานแล้วเอาเงินไปให้ห้าพันคิดถึงหลวงพ่อพูดกับฉันสมัยล้างหินเขาเราจำเขาไม่ได้คือเน็ตในนี้เขามีโรงเปิดเปิดเป็นโรงกึงของโรง ก็ดีเหมือนกันประยู่ที่นั่นก็นานขึ้นภูเขาทองขึ้นเขาหนังเอกไปที่ไหนไปสมตามป่าตามโดงมนนั้นะดีเหมือนกันจากนั้นก็ขึ้นมาขึ้นมาบ้านเราไปเละมาปฏิบัติธรรมดีทุกสำนักแต่ว่าสำคัญแต่เราจะจริงหรือไม่เท่านั้นเองสมมุติให้ฟังเลยอย่าไปติครูบาอาจารย์ถ้าไปทำานิครูบาอาจารย์ไม่ได้ เราต้องเข้าไปทดลองสัมผัสดูเขาสอนแค่ไหนเขารู้เรื่องอะไรมาพูดเราต้องถ้าเรารู้จริงๆแล้วก็ต้องไปไปสัมผัสดูจี่งจะรู้ว่าคนนี้รู้อย่างนี้คนนี้รู้อย่างนี้ถ้าเรายังไม่รู้ไปสัมผัสไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่คนอื่นอาจจะรู้ตัวแตมาไม่รู้จริงๆเข้าไปสัมผัสครูบาอาจารย์ไม่รู้จริงๆเมื่อบวชเข้ามานี่ได้สามสี่ห้าปีแล้ว ไปสัมผัสกุบายจารดีทุกองอ๋อดีดีทั้งนั้นนี่ปัญหาที่จะแก้ทุกข์ทุ่นให้ฟังพอดีรู้เรื่องลูกนามแล้วหมดทุกข์ความสงสัยเรื่องสมุมติเทวดานระกสวรรค์บาปบุญกินที่แต่ยังควมโกรธไม่ได้แก้ข่มโกรธไม่ได้เพราะยังไม่รู้จกักจิตใจมันเคลื่อนไหวยังไม่รู้จกักจิตใจมันคิด เย็นมาเดินจมกรมเดินไปเดินมามันมาผักตรงข้างเนี่วูบเอื้อะไรเรามองไปใ น, นว่าเป็นคนมาพักข้างเราไม่เห็นครั้งที่สองมาวูบเนื้เอเราเี่มันคิดจำไมมันคิดดูลงไปเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้มองไปอย่างนี้นะดูอย่างนี้แนะเดินไปมันคิดอ๋อมันคิดก็เลยขยับเข้าทำเหมือนแมวกับหนู พอดีหนูออกมาแมมจับปุ๊ทันทีอ๋อมันอย่างนี้จี่พอเดี๋ยมันคิดๆุ๊จับปับ๊บคิดปุ๊จับปับ๊บพอดีมันเป็นอย่างนั้นคิดมาลอยเรื่องเรารู้ทันลอยเรื่องคิดมามื่ดเรื่องเสียนเรื่องรู้ทันมื่ดเรื่องจิตใจมันเปลี่ยนจากภาวะไปเลยทําให้จิตใจที่มันมืด อ, อยู่นั้นสว่างขึ้นมานับรองว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนไม่ยกเว้น เพราะมันมีคนเหมือนกันนี่มันเป็นคนเหมือนกันเนี่นี่สอนมาใ ก, ก, กล้ๆไม่ต้องไปไกลคำสอนไม่มากที่พูดนี้พูดน้อยพอดีเป็นอย่างนี้มันรู้รู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้นี่เรียกว่าธาบัญญัติจะลึกยากบุคคลจะเข้าใจอย่างนี้อริยะบัญญัติกออ็ต้องเป็นอริยบุคคลจึงเข้าใจได้เนี่ยมันเข้าใจเองไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยอย่างนี้ อาจมาไม่เคยถามใครที่ไหนเลยไปเจอคนว่ามันพิดเออมันพิษของท่านแต่นถูกของเราเราต้องมั่นใจไว้เหมือนเดียงนี้ครูบาอาจารย์จะได้เท่าไหร่ก็ตามแล้วแต่ว่ามันพิษต้องเรียนอาจจะไปเรียนธรรมะมันจบแล้วนี่มันจบธรรมะแล้วมันจบมันคิี่มันทุกข์มันจะเรียนพระไตรปิฎกสามปีดกเ่งจะจบไม่ใช่อย่างนั้นเรียนเรื่องชีวิตนี้เองคนเรียนเรื่องชีวิตจบแล้วก็หมายถึงว่าไม่มีทุกข์เขาเป็นอันจบกันเลิกกันได้